ยังกินยังใช้อยู่เราก็ต้องขนขวายในการทำมาหารเลี้ยงชีพอันนี้คือเป็นสรรชาติยานและวว่าเป็นเรื่องของมนุษยชาติไม่ว่าเกิดในมุมโลกไหนไม่ว่าสัตว์ทา่ไรฉสัตว์ที่ไนก็เถอะมันก็ต้องหาใส่ปากใส่ท้องของมันเหมือนกันเราเป็นมนุษย์เราจะไม่แสวงหาอย่างนั้น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 งานทุกอย่างที่จะเป็ น, ปนไปได้ดีต้องมีอิธิบาทเป็นเครื่องนําหรือจเราจะท่องสาธยายหรือไม่ต้องทาสาธยายแต่ถ้าว่ามีคุณธรรมอิธิบาทอยู่ในจุดนั้นบางคนไม่คําว่าอิทธิบาทไม่รู้จะด้อยซ้ำไปแต่เขาทําในเครือข่ายอิทธิบาทเรื่องนั้นก็สําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาของเขาได้อิธิบาทคืออะไร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 หลกักธรรมที่เราจะเดินเข้าไปสู่จุดนั้นทำอย่างไรถ้าเราการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลนะอล้วเราควรจะเดินช่ำระตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราจะาสมสาเร็จสมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนานะอันนี้แหละอยากจะให้พวกเราทุกท่านนะเรื่องตัวนี้แหละเรื่องขยื้อกันนะความดีกับความชั่วนะ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 มีทำจุดไหนอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องกรั่นกรองไตรตรองพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะเมื่อพวกเราพิจารณา ก, า ร, ก ร, ารันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วนั่นหละเราจะวางเราจะปฏิบัติตนอย่างไรในจุดนั้นจุดเรื่องนั้นนั่นและขอให้พวกเราทุกๆท่านคนะณะทศไทาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเข้ามาบวชในพระพุทธศ า, าสานาอย่างน้อยก็ให้พยายามทำจิตใจให้สงบภาวนาดูสิ